เป็นศีอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทํารับศีลก็เสียใจนักฟังอะไรอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทาราบรักษาอย่างไงกันนี่อันสําคัญแต่รับวันยั่งค่ํามีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าว อ, อยู่แล้วอันนี้กองทัพเทวทัน อ๋อตื่นแ้วก่อนฮไม่ไหดรับเสียคั า, า, คา ร, รับสีก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นสีมั่งตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นธรรมะทั่วๆ่วไปคือสีทั่วๆวไป เป็นศีลห้าศีลแปดอย่าง น, นี้ศีลที่เป็นเพศอีันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพุทนไงเป็นศีลเนรศีลพระ่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายกองอะไรทำพิธีก็เอาถวายทานก็ฟ่ายันจนกระทั่งหมดคัมพียงบางทีนั่งฟังนจน ถ้าเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรตอนนยุ่งไปหมดไลลมาโ ม, โมโลุบวัฏฐานเนี่ยมาถวายทานดีไม่ดีอยากจ ะ, จะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแต่คนอื่นเขาสจันกะมั่งไอภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นตการเมื่อแล้วได้ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมัน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 จิตใจคนถ้าเดินไปตามนั้นอ้าวจิตใจนี้การจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษประเกียะพอผ่อนปันนัยาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้หลงรู้ราวอ๋อวันนี้เด็ก <laughs> หรือไม่เด่เรื่องนี้หรือเตนบวันไหน <laughs> สองงบนสามงนเนละ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 วาระแรกต่อมาครับพิจารณูปธสรมปทาถึงรณะสามคือพระพุพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สาเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้ก็ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวดให้สาเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลที่นี ขุนพุทธกมลเสนาสนังประกอบให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความจริงทุกโดยชอบเถิดกระทั่งที่ตะกวานก็สอนให้อยู่ลูกกมูลล้มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่สามเนี่ยขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณพุทธกมลฤเสนาสนังอุปชาเนี่ไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิด ต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้ของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณลูกบุตรท้ายภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกประโมรเส้นนาพรางขึ้นเลยแม่นิยมมาเป็นนิกายไหนเพราะคาว่า น, นิการเป็นชื่ออันหนึ่งลําใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลย พอเพื่ปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุและจะออกประกาศสอนอประชาชนก็ที่นี้เป็นไปตามบทพยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาทนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่างละเอียดมากน้อยเพียงไรท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองค์ไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องมัทน า, าท่านไม่มีอย่างนั้นท่านเขาไม่เกี่ยวเช่พระอัญญากลทัญยะไปอยู่ในอะไร ส, ะสัตตันอะไรมีท่างอุปรัมภรปัถังน ตั้งสิบเอดปีถ้ายอมได้ด้วยดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะยอมจำเป็นก็ยอมถ้าด้ยดินแดงถึงเวาลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยอง น, นี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระพุณณมันปุณณมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมกราถึกเอกพระพุณณมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระ ญ, ญาณกุลอนี่ ถ้ากดว่าสอนองเดียวเท่านั้นนังนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นน้าตันยูหรือพภาษาว่าองค์แลกเทียวที่ได้บรรลุธรรมผมที่ท่านมีอำนาจวาสนาในทางในแท่งก็เป็นไปตารรมเรื่องของท่านเองเช่นภาษาดิบุตรพระโมกคันลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างภาษาดิบุตรอ่านแนะนำสั่งสอนกว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นที่เหมาะสมทั้งนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงนิสตทรงเด็กเป็นประจามนสาิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับนั้นแหละนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆั้่มีกิเลสเขาเกี่ยวปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนคลเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นประจามปฏิายาแต่งของท่านไม่มีกิเลสเข้าเกีแ่แฝงก็ไม่ทําให้เป็นลุ่มลุ่มบันดอน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 ก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไม่ไม่น่าจะผิดเพราะขนาดที่ทุ่มเทกําลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อกแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความบูชาพยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ฮิคดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งทั้งที่ฝ่าเท้านะั้นไม่ใช่กิเลสแต่จําเป็นก็ต้องรับรับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตก ด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกเขาจักขุบานตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกทรมาณอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นิดถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการ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 ถ้าใช่ิตเรศมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้ ว, ลวขังจิตเลศไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายืนห้องไหนจิตเลศอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนจิตเลศอยู่ที่ตรงนั้นการปลึกธรมานเราตรงไหนจิตเลศก็เป็นการปลุกธรมานิเรศตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทั้งในการถุกผลจิตเลศเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์ เดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกน้อนพิจารณากิเลสนะสมุดภาวนามันทุกโดยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแ่าจะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสเนี่ยทุกก็ต้องยอมรับนี่ยการขัดตกบกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับเมื่อเข็มทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่ออัตตธรรมเพื่อ คือแดนแหความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่เกลียดมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกตุกข์ทุกระเทลินความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้เกลียดด้วยไม่ได้ต้องยอมรับอทุกข์ก็ทุกข์กขยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้เกลียดมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะเกลเยดเป็นเครื่องก่อความพานาจิตใจพกบอลทําลายก็คือเกลียดนี่แหละอย่างภายนอกอนะครับที่เราเห็นนั่นน่ะ แระไส้กันที่นั่นแตะไส้กันที่นี่เดินขบวนกันท่นั่นเดินขบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทําลายทําลายบ้านเมืองทํำลายที่นั่นทําลายที่นี่ทำลายหลายข้างหลายผลเข้าไปมันก็แหลกไปเองอันนี้ี่เรศมันทําลายเรามันทําลายอยู่มันมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทําลายเราสิเราจะไปเข้าข้างมันเสียเนี่ยมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลย นี่มันเป็นความลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยกออกเจี่ยวกับสิกธรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลําบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจีกสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุเกเย็นใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็ ม, มีความผาสุเกเย็นใจเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับผู้บายแห่งการแก้กิเลสธรรมะกิเลสเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรง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 ทราบว่าผิดวิถีถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลําดับลำดัะนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของเหตุอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ําขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนธรรมาจารกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็าตาม ก็เช่นอ่าที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์นี้นี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการปลดผลทรมานกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจเรามันก็มีเหมือนกั น, นต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุด ก, การล า, า, ากิตออกจากสิ่งโมหมองออกจากสิ่งตกตกั่วโสมมนี้เป็นของธรรมเนื้อยาก เพาะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทํากันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้เนีมันก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นเป้าของทุกบ่นให้ทุกแต่ว่ามีทางที่แยกทุกจับตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรไมีแต่ความบ่นระบายทุกออกด้วยความบน่บบมบนมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายนี่ระบายทุกออกด้วยอาการนั้นโดยอาการนี้ เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกเป็นทางที่อยจะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะมันแค่ทางแก้ที่เด็ดมันเป็นการเพิ่มพูนที่เด็ดขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศา ส, สนาในครั้งปุตตการท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะเฉพาะในเรื่องที่จะระบายออกทางกายทางวาจานั้นเมื่อกิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองในไหนถูกอันไหนผิด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 เขาใจตัวฉลาดเสียเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้มาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวคอใหมันหนังถลอกบ้างเลยกิเลส ย, ยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่ได้เรียนใช่อีกนี่นี่มันผิดพ ร, ผพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมรนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อ เ, อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ ตัวทีเล็อยู่ภายในใจความโกรธคัมภีไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธตัางหาความลุ่มหลงคำัำผีไม่ได้ลุ่มหลงชื่อชื่อของกิเล็กไม่ได้หลงไม่ลุ่มหลงตัวกิ่เล็กคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากแน่การแก้คึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่งแก่ที่อื่นไม่ถูกนี่แหละแก้โดยถูกหลักแล้วกิ่เล็กมันจะค่อยเบาบางลงไปลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอ ดูภายนอกคระทบทัวนกมาภายในจึงชื่อว่าเรียนทำเราจะดูออกไป น, อ, นอกๆดูไปเรื่อยๆจนึกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถัดดูเข้ามาในตัวดูออกไปข้างนอกเทียบเทียนเหตุเทียบเทียนผลแล้วมันก็มีสัตดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อทอีให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งกระทบทัวนมากๆกระทบทัวเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิด เรื่องวุ่งเดือบวุ่นวานอยู่ภานาใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มาสู่วิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่แหละการแก้พ่เลยถ้าทุกข์ยากลําบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อกิ่งที่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 คนก็ตายตัดก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวพร น, นจรึงต้องรีบเล่ขงข้นขวาาก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่ขัดใจันายก่สร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเ ค, เครื่องพึง่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็คนมีบ้านมีเรือน เป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลําบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแตไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์ก็ยังมีวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้เรือมันลําบากอืจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่ขึ่นที่อาศัยมีที่เกาะที่เหนียวอยู่โดยลําพังตัวเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาเออหาความสุขความสบายไม่ได้ เมื่อมีธรรมแล้วกพอมีความร่มเย็นเป็นจุดภายในจิตใจแต่เพราะยางยิ่งให้สร้างก็ปิปัญญาขึ้นให้มาแก้ขี้เหลวในปัจจุบันนั่นแหะให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันยิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอาวียาธนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดอาวียานาขี้เลวมันเกิดขึ้นด้วยทัศติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่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 มีสองอย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทํานาจิตใจให้ทราบว่านั้นคือค่าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่แหลเรียนเรียนทำคือเรียนเรื่องขันสําคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระทุกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดืนเดืนนั่งนอนรู้ทุกอิริยาบถทั่งกระทุกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติ ป, ปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี้เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลูกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทนัทนทนันกับเหตุการณ์ รู้ร อ, อบความคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบไปภายในจิตใจไม่ปล่อยยาพิษเข้าไปภายในใจใจก็ไม่เดือดร้อนน่าปวดกระไว้ถึงว่าราจะตายก็ตายไปอย่างสุข็โตเพราะความรู้รอบรอบแล้วแง่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนดทำเรียนอย่างนี้อะ่ะเป็นแก้กิเลกก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิต ด, ดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา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 ปฏิบัติพื่แก้กดเลสแก้อย่างนี้กิเลสอย่พายในจิตใจคือความก่อขวนมันเองด้วยแง่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากิเลสทำก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ ร, ราวก็ถึงแบบนี้แล้วปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบครอบแล้วนะถึงพาที่จําเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงน่ะมัญญาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหะทุกกระทุกตัวเก่านั้นนหละที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้ยจะไปแสดงในเวลาสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงทำ ความจินของมันในทุกเหตุนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันอันมันเกิดอยู่นี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนศัตว์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันนะทราบมันจะีทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องไปแบ่งสรรทงส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นของเขาเอาดินลงไปให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นของดินน้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ําไฟเ็ให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลม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 จะไปร่มจมที่ไหนความรู้ความฉล า, มาดไม่พาให้ล่มจมนอกจากความโม้ความเข่าเท่านั้นพาให้ร่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อการล่มจมเพื่อความปวดเพื่อตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่งเสียท่าขันนี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี้ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในทารามกลางอย่างกองเพลิงคือทุกเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามความจริงแล้วอยู่นาน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 จะจำได้ไม่ได้ก็าตามการทำบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วความีเหล่านี้ลจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไปพ้นความน่าดึงความดีนี่หรักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนตงที่นี้ นนี่ไม่เสียเวลาเวลา ม, มีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกลมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทําให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสัพปพปงกงกงันแล้วหลับก็ก็นั่นนั่นแหละมันพิธีอะไรกันลูกพิธีบ้านนว่าไงเดินกลมก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็นเดินสติสตงังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกัน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 ให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละคือว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้ทิเดศแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประธรมนทางของผู้ที่จะสิ้นทิเดศจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะ น, นี้ไม่สิ้นแบบอืนบนอ่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเห็นนี้สาวกท่านสิ้นด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้ทิเดศมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันทิเดศจะต้องหลุดลอยไปโดยลําดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน